ตอนที่12แต่ข้าอยากรอดเดิมทีการพาเซียชิงจือมาด้วยก็เพื่อให้นางได้เห็นกับตาว่าตนเองถูกลักพาตัวหรือแอบมาพบชู้รักกันแน่หน้าเสียดายที่ก่อนหน้านี้สายลับยังไม่ลงมือจึงไม่ได้ทำให้คนทั้งสองเห็นความจริงให้ชัดแจง้งโอกาสที่อุตสาสร้างขึ้นในวันนี้เกรงว่าจะต้องเสียเปล่าเสียแล้วทว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือแม้สายลับจะมาสายแต่ก็มาถึงจนได้ เรือสำรานที่ฝั่งเย่เยอเดินลงจากเรือเป็นคนแรกหลินเซิรนประคองเสี่ยชิงจือที่ประดับเครื่องมุกเต็มสีสัและสวมชุดรูราค่อยๆก้าวลงบันไดาตามมาเมื่อหันกลับไปมองเย่เย่ก็ต์ไม่ได้ที่จะแสายะายิ้มเย็นชาช่างเป็นภาพที่รักใคร่กลมเกลียวกันเสียจริงซื่อจือช่างทนุถนอดดวงใจไวยาวผู้นี้เหลือเกินทันใดนั้นเงาร่างที่คุณตาเงาหนึ่งก็วูผ่านข้างกายไป ยี่เยาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปเห็นแผ่นหลังของชายคนหนึ่งในชุดบัณฑิตกำลังเดินตรงไปยังพ่อค้าแผงลอยริมถนนพร้อมกับ ก, บกดเสียงต่ำพูดว่าคนที่อยู่กับซื่อจะต้องเป็นว่าที่ประชายาของเขาแน่ลงมือได้พ่อค้าแผงลอยนักสืบคนรอบข้างราวกับเล่นกลพวกเขาชักอาวุธออกมาผ้าคลุมหน้าถูกดึงขึ้นมาปิดบังใบหน้าก่อนจะพุ่งตรงไปยังเรือสำราญและเริ่มปะทะ ก, กับเหล่าองครักษ์ลินเซินทยานร่างลงจากเรือเข้าร่วมวงต่อสู้เสี่ยชิงจือตกใจจนลนลานก้าวพลาดจนลื่อนถลายลงจากบันไดเรือสำราญ ชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีตายกันจลาจลเยี่ยยอรีบดึงสาวใช้ทั้งสองคนหลบเข้าไปในมุมมืดตามกระแสผู้คนนางเห็นเสี้ยชิงจือลม้มลงคลานกับพื้นอย่างหมดรูปเหล่านักฆ่าเข้าใจผิดว่านางคือว่าที่ซื่อจืดเฟยทุกคนจึงพุ่งเป้าไปที่นางหลินเซินคอยปกป้องนางพางกว่าสายตามองไปทั่วเยี่ยยหายไปแล้วเขาเพิ่งรับปากว่าจะปกป้องนางให้ปลอดภัยนี่เขาต้องผิดคําพูดแล้วหรือพวกเรามาเร็วรีบไปคุ้มครองซื่อจื่อเฟย สิ้นเสียงตะโกนของเจียนเจียเหล่านักฆ่าต่างพากันเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าไปหาทันทีหัวใจของหลินเซินเต้นรัวจนแทบจะ ก, กระดอนออกมาเขาพุ่งตัวขึ้นไปเตะนักฆ่ากระเด็นไปคนหนึ่งเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็เห็นเทียงแผ่นหลังของเจียนเจียที่คอยคุ้มกันเยี่ยยวิ่งเข้าไปในตรอกเล็กๆเขาไม่ทันได้คิดอะไรมากก็รีบตามไปทันทีบัณฑิตผู้นั้นแท้งทาตัวเป็นชาวบ้านซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนพังนึกสงสัยเหตุใดถึงมีซื้อจืดเฟยสองคน ท่านใดนั้นเขาก็เห็นร่างเล็กที่คล่องแคล่วร่างหนึ่งพุ่งเข้าหาเซี่ยชิงจืออาศัยจังหวะที่นักฆ่าทุกคนไล่ตามเข้าไปในตรอกดึงตัวนางวิ่งหนีไปอีกทางสีหน้าของบัณฑิตเปลี่ยนไปทันทีนี่มันแผนส่งเสียงบุรพาตีประจิมล่อเสือออกจากถา้ำเยี่ยย่อาถอดเสื้อตัวนอกให้ไปลู่สวมส่วนนางอาศัยความวุ่นวายลากตัวเซี่ยชิงจือหนีออกมาชาติก่อนเซี่ยชิงจือเคยวางทิฐกู่ทำร้ายนางเดิมทีนางไม่ได้คิดจะช่วยแต่สายลับคนนี้ต้องถูกจับให้ได้ หากเสี้ยชิงจือตกอยู่ในมือของสายลับแม้จะจับผิดตัวแต่อีกฝ่ายก็สามารถใช้ตัวนางเป็นข้อต่อรองเพื่อหลบหนีได้เยี่ยเยาจะไม่มีวันยอมให้สายลับมีโอกาสหนีออกไปจากเมืองหลวงได้เด็กขาดทางที่ดีที่สุดคือต้องกวาดล้างให้สิ้นซากในวันนี้การซ่อนตัวเสี้ยชิงจือที่คอยถ่วงมือถ่วงเท้าเอาไว้จะช่วยให้หลิงเซินสู้กับนักฆ่าพวกนี้ได้อย่างไร้กังวลทว่าพระสถานการณ์บีบคั้นเกินไปนางจึงไม่ทันสังเกตว่าถูกบัณฑิตผู้นั้นมองออกเสียแล้ว เมื่อถูกดักหน้าไว้ในตรอกที่ไร้ผู้คนเย่เยาพยายามลากเสียชิงจือหันหลังกลับแต่ก็ไม่มีทางถอยเสียแล้วบัณฑิตที่ขวางทางเข้าอยู่สยยิ้มอย่างน่าสยดสยองพางก้าวบีบเข้ามาในชาติก่อนชายผู้นี้เองที่เป็นคนทําให้ครอบครัวของนางต้องพินาศเย่อยับเย่เยาเผลอลงแรงที่มือทั้งสองข้างจนเสียชิงจือรู้สึกเจ็บแม้จะเป็นนักฆ่าแต่รังสีความแค้นที่รุนแรงจากตัวเย่เยานั้นดูไม่เหมือนความรู้สึกที่มีต่อคนที่เพิ่งเคยพบหน้ากันครั้งแรกเลย หรือว่าเยี่ยยวกับบัณฑิตตรงหน้าจะรู้จักกันมาก่อนแม่นางน้อยช่างฉลาดนักรู้จักใช้แผนส่งเสียงบุรพาตีประจิมล่อเสือออกจากถ้าเพื่อช่วยว่าที่ซื่อจื้อเฟยว่าที่ซื่อจื้อเฟยค่้าเสี้ยชิงจือเพิ่งจะอาปากพูดกระถูกเย่อยยิกที่มืออย่างแรงจนต้องเงียบไปเยี่ยยกับ น, นางไว้ข้างหลังแววตาใช้แววเฉียบคมบัณฑิตหัวเราะน่าเสียดายที่เจ้าดันหนีเข้ามาในตรอกตันแห่งนี้อย่ามาโทษที่ข้าได้ลาบลอยชิ้นใหญ่ไปก็แล้วกัน สถานการณ์ย่ำแย่แล้วบัณฑิตผู้ถูกเยี่ยวยาวังหมากพลาดไปก้าวหนึ่งกลายเป็นทำคุณบูชาโทษเสียได้ตอนนี้ทำได้เพียงถ่วงเวลาเท่านั้นท่านจะพวกเราทำไมแม่นางน้อยไม่จําเป็นต้องรู้มากขนาดนั้นเมื่อเห็นว่าบัณฑิตไม่หลงกลในสถานการณ์กับขันเยี่ยยาวจึงดึงปิ่นมุกบนศีส่อออกมาแล้วเจาะเข้าที่ลำคอของเสี่ยชิงจือทันทีอย่าเข้ามาไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่านางเจ้าทำอะไรนะ้า เซียชิงจือรีดร้องด้วยความตกใจแต่ไม่กล้าขยับตัวสุ่ม 4, สี่สุมห้าแม้แต่บัณฑิตก็ชะงักฝีเท้าลงทันทีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากเจ้าเด็กนี่ถึงกับใช้คุณหนูตัวเองเป็นโลกกำบังเชียวหรือเย่เยาแค่นยิ้มเย็นเป้าหมายของท่านคือคุณหนูส่วนข้าที่เป็นแค่สาวใช้คงถูกท่านข้าทิ้งอยู่ดีในเมื่อต้องตายเหมือนกันทำไมข้าจะไม่ลองเสี่ยงดวงดูสักตั้งละ่ะหากคุณหนูตายท่านก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเหลือแล้วใช่ไหม ปล่ยข้าไปแล้วคุณหนูจะเป็นของท่านไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่านางให้ตายตกไปตามกันถึงตายข้าก็ไม่ขาดทุนเสี่ยชิงจือกโกรธจนตัวสั่นกรีดร้องออกมาจะพูดเรื่องอะไรกันทั้งที่เจ้าหุบปากเย่เยาตะค้อขัดจังวะนางหากยังพลาดอีกข้าจะกรีดหน้าเจ้าให้เสียโฉมเสียก่อนเสี่ยชิงจือหน้าถอดสีด้วยความหวาดกลัวอย่าข่าข้าจะหุบปากเดี๋ยวนี้บัณฑิตผู้นั้นโกรธจนตัวสัน่น เป็นสาวใช้ที่ฉลาดหลักแหลมนักนะเจ้าคิดว่าทําเช่นนี้แล้วจะหนีไปจากเนื้อมือข้าได้หรือไม่ลองดูแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เยี่ยเยาเดิมพันหมดหน้าตากจนบัณฑิตผู้นั้นนึกหาทางจัด ก, การนางไม่ได้ชั่วขณะหากว่าที่พระชายาซื่อจิตตายไปก็ไร้ประโยชน์นอกจากจะถามความเคลื่อนไหวของทั้งสองตระกูลไม่ได้แล้วยังไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อรองได้อีกด้วยใบหน้าของบัณฑิตมืดครึมมีที่ไหนโจนลักพาตัวกลับถูกข่มขู่เสียเองเขาอยากจะบีบขะนางเด็กเกศกับคนนี้ให้ตายคามือนัก ตกลงเจ้าไปได้แต่คุณหนูต้องอยู่ที่นี่เยี่ยหัวระยะท่านเห็นข้าเป็นคนโง่หรือเกรงว่าข้ายังวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวพวกท่านที่มีวิชาตัวเบาก็คงหันกลับมาตามทันแล้วข้าข่าทิ้งเสียบัณฑิตยิ้มอย่างกระหายเลือดเจ้ารู้ก็ดีแล้วตอนนี้ปล่อยคุณหนูของเจ้าเสียข้าจะให้เจ้าตายอย่างไม่ทรมานเยี่ยยตอบอย่างหนักแน่นแต่ข้าอยากรอดบัณฑิตกัดฟันกรอดด้วยความแค้นเคืองหลีกทางไป บัณฑิตจําต้องยอมถอยไปหน้าบูดบึ้งค่อยๆขยับเท้าหลีกทางให้เยี่ยเยาวจี้ตัวเสี่ยชิงจือพางขยับไปยังทางออกอย่างระมัดระวังทั้งสองฝ่ายต่างระแวดระวังและคุมเชิงกันอย่างเข้มงวดในมิชาตำแหน่งก็สลับกันเยี่ยเยาวกับเสี่ยชิงจืออยู่ใกล้ทางออกส่วนบัณฑิตถอยกลับเข้าไปในตรอกถอยเข้าไปข้าในอีกบัณฑิตกัดฟันพูดนางเด็กบ้าข้าจะจําเจ้าไว้เจ้าหนีให้พ้นก็แล้วกันมิเช่นนั้นข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เยี่ยเยาว์ลอบยกมุมปากขึ้นคำพูดแฝงในสองแง่ ข้าหล่ะกลัวท่านจะไม่มาเสียมากกว่าเมื่อบัณฑิตถอยลึกเข้าไปในตรอกเยี่ยวยาวลากเสีย้ยชิงจือถอยออกมาถึงปากตรอกเสียงกระซิบของเยี่ยวยาดังขึ้นที่ข้างหูของเสี้ยชิงจือพอข้าปล่อยมือเจ้าจงวิ่งไปทันทีห้ามหันกลับมามองเด็ดขาดเสี้ยชิงจือชะงักงันในที่สุดนางก็เข้าใจว่านี่คือกลทุกทรมานของเยี่ยวยาวนางพยายามสงบสติอารมณ์แล้วถามเสียงเบาแล้วเจ้าละ่ะข้าต่างหากที่เป็นว่าที่พระชายาซื้อจือเขาไม่ค่าข้าหรอก เซี่ยชิงจือยังคงลังเลแต่เย่ยังไม่มีเวลามาพรางกับนางอีกนางออกแรงผลักอีกฝ่ายไปข้างหลังวิ่งไปเซี่ยชิงจือไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับมามองนางสับเท้าวิ่งหนีไปสุดชีวิตบัณฑิตปฏิกิริยาฉับไวพุ่งเข้าใส่ทันทีลมฝ่ามือรุนแรงเฉียบคมทะว่าเย่ยกลับไม่หลบเลี่ยงนางรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วกระโจนออกไปด้านข้างอย่างไรเสียก็นับว่าเกิดในตระกูลขุนพล นางไม่ได้ทําให้จวนกัวกงต้องขายหน้าบัณฑิตแค้นเย่ยเยาเข้ากระดุกดําแต่ไม่อยากให้เสียเรื่องเพราะนางจึงไม่หยุดฝีเท้าและแล่ตามเสี้ยชิงจือต่อไปนึกไม่ถึงว่าจังหวะที่เย่ยเากระโจนไปนั้นนางจะคว้าไม้ไผ่ที่วางอยู่ปากกรอกขึ้นมาแล้วฟาดใส่เขาอย่างแรงจนโดนกลางหลังเข้าอย่างจังโดยไม่ทันตั้งตัวบัณฑิตไม่คาดคิดเลยว่านางเด็กนี่จะกล้ารอบกัดเขาแม้จะเป็นเพียงแผลาภายนอกแต่มันก็เจ็บจนเขาต้องสูดปากด้วยความหนาวเหน็บ ด้วยความโมโหโทโสเขาไม่เล้ยตามเสี้ยชิงจืออีกต่อไปแต่หันกลับมาเงื้อพัดในมือฟ้าใส่เยี่ยวทันทีนังเด็กบ้าข้าจะฆ่าเจ้า